ยังไม่มาหาการเนโกแสดงว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในอุปชาฌา์ไม่มีหายไปแล้วหาหากว่าศรัทธาความเลื่อมใสในอุปชาฌา์ไม่มีแล้ว การที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปนี่มันก็ยากอยู่แล้วฉะนั้นถ้าผู้ใดยังอะไรพรหมจรรย์อยู่ก็ควรจะมารวมการดิสาราให้หมดแสดงพลังแห่งความสามคัคคีความนับถือ ความเคารพพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงกันนี่นะ่ะเป็นธรรมที่ไม่เสือ่อมในอปริหาริยธรรมอะธรรมที่ทาบุคคลบุคลบคลพติไม่ให้เสื่อมเสีย มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว น, น, นานจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาบาังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนั่นนี้คราวนี้เป็นลาบอันประเสริฐของพวกเราแล้วนะขอให้พากันคำจุนอุดหนุนวัดวาศาสานาไว้ ทนที่เราได้มาเป็นนักบวชข้อดีมีศรัทธาอุปธรรมบำรุงวัดวาอารามแต่ไม่ได้บวชก็ดีก็ได้ชื่อว่าได้เป็นทายาติของศาสนาเรียกว่าเราเป็นญาติ ในพระพุทธศาสนานี้ผู้จะเป็นญาติของพระพุทธศาสนานี้ได้ก็พะว่าถ้าเป็นครหัข่าก็ต้องมีศีลห้าต้องใส่ใจในศีลห้ารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นบวชเป็นชีเป็นขาว ก็ต้องรักษาศินแปดให้บริสุทธิ์ก่อนอื่นเลยถ้าเป็นสามเณรก็ต้องรักษาสินสิบให้บริสุทธิ์ออเป็นพระภิกษุก็ต้องรักษาศินสองร้อยี่สิบเจ็ดให้บริษษรษษรสุทธิ์แล้วยังมีศิล นอกข้าปฏิโมกอีกเราต้องตามศึกษาตามเล่าเรียนดูตำรับตำราให้ทั่วบวเข้ามาแล้วนะอย่าไปคอยแต่จะให้อุปชาอาจารย์ตัเกเตือนบอกเกา่าเึิงจะปฏิบัติได้อันนั้น เป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุธิอสุธิปัจจตังอัญโยนานยางวิโสทเยีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เฉพาะตัวคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ พระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจถ้าตนเองช่วยตนเองไม่ได้แล้วมันก็หมดหนทางอจะไปให้ผู้อื่นช่วยได้ยังไงในเมื่อตอนเองช่วยตนเองไม่ได้งี้คิดดูให้ดีเดีวถ้าตนเองช่วยตนเองเต็มที่แล้ว มันก็ยังมีเวลาพลาดพังอยู่ว้งเอออย่างนี้นี่ผู้อื่นพอช่วยได้เออแบงนั้นดังนั้นต้องกรวดกาดูตัวของเราทุกคนว่าเราบกพ้่องอะไรบ้างต้องมันกลัวอยู่เสมอเลยมีสติสมบัติเนี่ยกำกับตัวอยู่ตลอดเวลาการทำการพูด การคิดอ่านอะไรต่ออะไรเราต้องมีทรรมวินัยเป็นเครื่องเทียบว่าการทำการพูดการคิดนี้ของเราเนี่ยตรงตามทำวีไนไหมหรือไม่ตรงนี่มันต้องกำหนดอยู่เสมออ่า อย่าไปเผลอเลยเดินเลอนึกว่าตนได้บวชมาแล้วได้เรียนทำเทวินัยแล้วนึกว่าตนมีศีลแล้วเลยปล่อยผ่าละเลยไปไม่ไม่คอยสำรวจตรวจการดูความประพฤติของตอนเสมออย่างนี้ไม่ถูกต้อง ดะนั้นต้อง <c oughs> คิดให้ดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละการที่เราเกิดมาแต่ละชาติจะได้พบกุทธศาสนานีนแสนยากไม่ใช่ง่ายง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าในนานนานจึงมาตรัสรู้ในโลกพระองค์เหนืออย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราเกิดมาในชาตินี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้พบศาสนาของพระองค์เพราะองค์ทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพวินัยไว้ให้พุทธสาวกนั้นปฏิบัติตามเรียบร้อยไปหมดแล้ว ก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่นิพพานพระองค์ทรงตรัสว่า <c oughs> เมื่อพระองค์ใกล้ๆจะนิพพานพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อเราจะถาคตล่วงรับดับครั้นเข้าสู่พนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยนั่นแล เป็นครูเป็นศาสตราของท่านทั้งหลายแทนเราจะกาคตรท่านทั้งหลายจงพากันปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยให้เต็มความสามารถชื่อว่าเป็นผู้มีศาสตราอยู่ดูแลปกครองอยู่ถ้าเรา ปฏิบัติตรงรรต่อทาต่อวินัยอยู่นะก็เชื่อว่ามีพระสัสดาบสมมาสมพุทธเจ้าปกครองดูแลเราอยูอ่ขอให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าใครต่อใครที่จะได้ตามตักเตือนแนะนำเราอยู่ตลอดเวลาไม่มี แม้แต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าพราะองค์ไม่ได้ไปเที่ยวว่าเก่าตัดเตือนใครตัวใครหยู่ตลอดเวลาไม่มีอือพระองค์ก็แนะนําสั่งสอนเป็นครา้งเป็นคราวเท่านั้นแหละสําหรับหมู่ใหญ่นะออสําหรับอันย่อยยอยแขกคนไปมากราบไหว้พระพุทธองค์นั้นมีอยู่เป็นประจำแหละอันนั้นนะ ส่วนการประชมุมใหญ่มีเป็นขครั้งเือคราวนั้นแหละพระองค์ก็ถือโอกาสอย่างนั้นสอนแนะนาทางสอนเลิกจากนั้นไปแล้วก็ต่างคนต่างก็ฝึกตนเองสำรวมตัวเอง อ, อยู่ในที่รับอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีก็ประพฤติสมมเสมอในธรรมในวินยัย เช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจความหมายของพุทธศาสนาได้ดีศาสนาอื่นเท่าที่ได้ฟังมาไม่เป็นอย่างว่านี้เขาต้องไปสวดอ้อนวอนให้พระเจ้ามาช่วยอยู่งนั้น แล้วมีวิธีล้างบาปออมีวิธีสวดอ้อนมนเสร็จแล้วก็เอาน้ำลดให้นี่เรียกว่าวิธีล้างบาปผู้ใดทำบาปมาแล้วเขาไปล้างด้วยน้ำของบาทหลวงซะแล้วบาปนั้นเขาหายไปแล้วอย่างนี้ผู้ปัญญาชนนะ ลองคิดดูทีบาปมันจะหายด้วยน้ำล้างเหรือเปาบาปมันเกิดอยู่ที่ใจจิตเจตนาเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วไปเบียดเบียนคนอืน่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะแล้วจะมาเอาน้ำมาเทล้างผิวหนังภายนอกเนี่ยแล้วให้บาปซึ่งมันสิงอยู่ในจิตใจนั่น หมดไปสิ้นไปไปได้ยังไง呀นั่นแหละเพราะฉะนั้นรัฐที่อื่นเหตุผลไม่เพียงพอเลยที่เขาแสดงออกมาสำหรับพุทธศาสนานี่พระองค์เจ้าทรงแสดงเรื่องอะไรไว้แล้วมีเหตุผลเพียงพอช้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยอ ดังนั้นปัญญาชนจึงได้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแม้ชีวิตก็อัศละแทนได้เลยอย่างนี้เพราะว่าปัญญาชนท่านมองเห็นด้วยใจของตัวเองตีความหมายแห่งคําสอนพุทธเจ้าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคําสอนของพระองค์นี่เป็นสัจธรรม เป็นธรรมของจริงบาปทงแสดงเรื่องบาปก็ บ, กบาปจริงอย่างนี้นะผู้ใดล่วงเกินพุทธบัญญัติตงไว้แล้วก็บาปจริงได้ได้รับทุกจริงอย่างเช่นเหตุแห่งความสิบหายสี่ประการอย่างนี้พระองค์จะแสดงไว้ความเป็นนักเลงเจ้าชู้ ความเป็นนักเพลงสุราความเป็นนักเพลงเล่นการพนันความคบคนชั่วเป็นมิตรสี่ประการนี้นะผู้ใดลองท่องเสพดูสิต้องได้รับความจิบหายในปัจจุบันนี้นะไม่ถึงไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยผู้ใดเป็น นักแสดงดังกล่าวมานี่นะเราสังเกตดูเป็นคนดีไหมตั้งตัวได้ไหมไม่มีทางคนเป็นเรงเจ้าชู้อย่างนี้อ่าเป็นมีเป็นผู้มีความรักหลายใจมีความรักไม่มีสถานีได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไปจ่าย บำงุงบำเลอกามอตันหาอย่างนี้นะแล้วมันจะไปเอาเงินเอาทองที่ไหนมาใช้จ่ายบวชไรมันจะมั่งมีได้อย่างไรจ่ายไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์เงินทองที่จ่ายไปฉะนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยคำสอนของบุรีเจ้านะ องค์สอนน่ะมันมีเหตุผลเพียงพอจริงๆเลยใครๆจะคัดค้านไม่ได้เลยมันเป็นงั้นถ้าทรงแสดงเหตุแห่งความเจริญเช่นนี้ผู้ใดปฏิบัติตามก็ได้ความเจริญจริงๆเช่นอย่างอิธิบาทธรรมทั้งสี่อย่างนี้นะแปลว่า ทำให้สำเร็จความประสงค์สิ่งที่ต้องการซึ่งไม่เหลือวิสัยหนึ่งฉันทะพอใจรับใช้ในกิจการงานหน้าที่ที่ตนจะพึ่งทำไม่เบื่อหน่ายแม้แต่ยากลำบากอย่างไรก็ทำความพอใจทำได้จนสำเร็จทุกร่วงไป ความพอใจอันนี้มันต้องมีปัญญาประกอบเออเราพอใจหน้าที่การงานอย่างนี้แล้วเมื่อเราทำหน้าที่การงานเหล่านี้ไปแล้วมันจะเกิดผลดีอย่า ง, างไรบ้างนี่ปัญญาก็ยอมตีตองดูเห็นเหตุเห็นผลโดยแจ่มแจ้งว่าเมื่อเราทำงานทำการอย่างนี้ไป แล้วมันจะเกิดผลดอีอย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นการบวชอย่างนี้แหล ะ, ะก่อนจะมาบวชจ ะ, ะได้ใช้ปัญญาพิณาเห็นว่าการบวชนี่เป็นการเว้นจากทุจริตเว้นจากบาปโทษต่างๆได้เป็นอย่างดีเลย เพราะว่าทาตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้มีภาระอะไรมากมายทาตัวเป็นคนผู้เดียวมากน้อยสันโดษชอบสังกัดบารบทาความเพียรทางจิตใจทำใจสงบเยือเกเยน็นสบายแล้วความอยากคือธหามันก็ไม่คร อ, อบงาจิตใจไม่ได้เมื่อก็ไม่อยากได้อะไรอ่ะ ไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็จะไม่จะเป็นต้องไปทำบาปในวันนี้นะนนเพราะฉะนั้นผู้ใดพิจารณาเห็นเหตุผลดังนี้แล้วเข้ามาบวชก็อนอับว่ามั่นคงได้มัม่นคงได้เป็นงั้นผู้ใดเข้ามาบวชตามโบเพนีเฉย ไม่ได้พิจารณาให้ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เห็นเหตุผลเหตุความเจริญในการบวชบวชตามประเพณีเฉยอย่างในผู้ชนนั้นไม่ทนทานแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เต็มที่ได้ดังนั้นเ อ, เอาเอาเถ เอาเวลาเข้ามาบวชบางทีก็าอาจจะคิดว่าบวชตามโมเพนีก็มีแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนอุปชาอาจารย์เข้าไปแล้วได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเข้าไปก็เป็นเหตุให้ละคมชั่วได้ทำความดี ให้เกิดมีขึ้นในตนได้ตนได้รับความสุขสบายเพราะการกระทําความดีตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนําสั่งสอนไว้ตนก็มีความสุขใจสบายใจเลยอย่างนี้แล้วใครจะไปหยากศึกกระบวดมาแล้วอืเพราะมันได้รับความสบายใจแล้วนี้ความสบายใจยหมายความว่า เป็นผู้ละความอยากความทะเยอทะยานต่างๆออกจากจิตใจความอยากนั้นน้อยเต็มทีแล้วมีอยู่ในใจก็ดีอย่างนี้นะเมื่อความอยากมีน้อยแล้วความสุขสบายมันก็มีมากนะนี่ความสบายใจก็มีมาก เมื่อความอยากมีมากเท่าไรความทุกข์ใจมันก็มีมากฉะนั้นนี่แหละผู้เป็นนกวดถ้าไปสะสมความอยากให้มากขึ้นในจิตใจแล้วความทุกข์ทางจิตใจมันก็ยิ่งทวีคูณึ้นไปแล้วมันจะประพฤติปรมจรไปได้อย่างไรเนี่ยคิดดูให้ดีเพราะเราเปนะ็นนักบวชนราต้องคิด ให้มันเข้าสู่ร่องสู่รอยหลวงปู่ได้บวชมาเบื้องต้นเนี่ยอันเนื่องนึกถึงความตายนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแท้ๆที่ให้ดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้มาวางความกัดสันอยากสึกเต็มที่เลยอย่างนี้อ่านั่งภาวนาอยู่กับนั่งคิดแต่อยากสึกอย่างเดียว เดินจมกรมก็คิดแต่จัดสึกไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีลูกมีเมียอะไรต่ออะไรอยู่งั้นแต่แล้วเมื่อคิดไปคิดมาแล้วเอ๊ผลสุดท้ายมันก็ตายอ่ตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปได้สักหน่อยเดียว มีแต่บุญกับบาปถ้าไปทำบาปไว้บาปก็จะนำไปสู่นรกได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานนี่พราะเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าตัดไว้ว่านรกนันมีจริงนีมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วไอ้ความกัะสานอยากเสริมก็บเบาลงเบาลงก็กลัวไปตงนรก เป็นไงอ้าวต่อไปมันกันหนาม ก, กับกำรอบขึ้นเอง เ, เป็นเหตุให้คิดสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นไปแบบนี้เอาสร้างไปสร้างมาแล้วไปจบลงที่ความตายอ้าวตายแล้วไม่ได้อะไรจิตตัวเลยเอาอยู่อย่างนี้แหละอ่า เพราะว่าน้ำมาไหลเชี่ยวเยนไปตานทีเดียวมันอยู่กักเลยไม่ได้เลยเมื่อมันอยากก็ให้มันคิดไปปุงไปปรุงไปเมื่อปุงไปมาแล้ววกเข้าสูรธรรมะบบนี้อ่าอย่างที่ว่ามานี่นเมื่อเล ย, ยุดตีลงได้ยุดตีความอยากลงได้ เพราะมันมองเห็นจริงๆนะเป็นความจริงแท้ๆเพ้า อ, อยู่ข้างหน้านั้นนะตายตายแล้วเขาก็ออกไปเผาก็เหลือแต่เท่ากระดูกเท่านั้นเองจะเหลืออะไรอ่ะนี่แหละความจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่คนเรามันบิดเบือนความจริงมันไปรู้อำนาจแกตัณหา เอาตัญหาเป็นนายหน้าหาดำเนินชีวิตไปตามกระแสของตัญหาตัญหามันจูงไปให้อยากได้อะไรก็ดิ้นแสวงหาไปตามมันตัญหามันชักชวนไปทำบาปก็ไปตามมันอย่างนี้นะ ออาวศาสนามันชักชวนไปทําบุญก็ไปตามมันอศาสนานี่มันก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้าหาก็มีแต่ฝ่ายชั่วอย่างเดียวไม่มีทางคนจะได้เกิดมาเป็นคนในโลกอันนี้นะเพราะมีแต่อยากทําชั่วอย่างเดียวนะก็ทํแต่ชั่วตลอดชีวิตอย่างนี้ ตาแล้วไปไหมเนนรกมันไม่ไม่มีวันพ้นไป อ, ออกมาได้เลยเพราะว่ามันทําบาปหลายเหลือเกินแต่ น, นี่ไม่เป็นเช่นนั้นนะอันตนหาในบางเขามันก็คิดอยากอะมีความสุขเ อ, อยากอยากมีความเจริญบันนี้เห็นคนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองมีลาบมียศสนเสริญ อ, อยากได้บุญอยากได้กุศลก็หาโอกาสหาเวลาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมทำบุญทาทานสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก่อนแนะนำในทางชี้หนทางออกจากทุกข์ให้อย่างนี้เลย อันนี้ก็เป็นตัญหาประเภทหนึ่งตัณหาอยากมีความสุขยิ่ ง, งขึ้นไปเป็นมนุษย์ที่มีความสุขพอพันนี้แล้วก็ยังไม่พอใจเพราะความสุขของความเป็นมนุษย์นี่มันเจืออยู่ด้วยทุกข์มันมันไม่เป็นสุขล้วนๆก็จึงไม่พอใจในความสุขเพียงแค่นี้จึงอาศัยความสุขที่ได้นี่นะเป็นทุนวันนี้ หมุนหาความสุขอันยั่งยืนอันเป็นแก่นสารต่อไปได้แก่พวกเราที่สละบ้านเรือนออกมาอยู่วัดวาศาสนาทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเข้าของราบจดชนเชิญต่างๆนี่ถ้ามีผู้มีสตารบริจายให้ก็เอา แต่จะให้ไปหาธรรมาค้าขายหาเงินทองก็ไม่เอาอย่างนี้แหละไม่ไปถ้าบุญไม่มีไม่มีผู้บริจาคไม่มีผู้ค้ำจุนหนนก็ให้มันตายไปซะแสดงว่าคนไม่มีบุญนะเมื่อไม่มีบุญนะมันก็อยู่ไม่ได้โลกนี้ตายตายก็ตาย เราอาศัยสร้างบุญสร้างกุศลไปสําหรับชีวิตในปัจจุบันนี้เราก็อยู่ด้บุญกุศลที่ทำมาใ่ชาติก่อนเมื่อบุญกุศลที่ทำมาในชาติก่อนหมดลงก็ตายเมื่อตายเราก็ได้อาศัยบุญกุศลที่สั่งสมในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เป็นภา a ะ นำดวงจิตนี่ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปนี่เดวะสร้างบารมีเพราะว่าเมื่อสร้างบุญบารมียังไม่เต็มก็เข้าถึงนิพพานไม่ได้ดังนั้นก็ให้พากันรู้ไว้ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่พระนิพพานถ้าผูใ้ใดยังไม่บรรลุถึงนิพพานแล้วยัง ยังไม่ได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารหรอกเป็นความสุขคร่าวแต่ความสุขวางพบบางสัตวก็ไปได้ยืดยาวนานอเช่นความสุขของพวกเทวดาพวกพรหมอย่างนี้นี่เป็นสุขนานอันนี้พวกนี้นะเพราะบุญหลาย็นอย่างนั้น เป็นสุขไปนานเมอ่อที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็ยังไม่ติดอยู่ในความสุขอันนั้นอย่างเดียวเพราะว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเมื่อเป็นมนุษย์นี่ก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติ กายวาจาใจของตนให้สงบระงับแล้วก็มีปัญญามองเห็นบนรรดาสังขารธรรมทั้งพวงมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแจกดับไปเป็นธรรมดาจะเป็นสังขารส่วนที่เป็นบุญก็ตามส่วนที่เป็นบาปก็ตามส่วนที่เป็นรูปมองเห็นด้วยตาหนังก็ตาม สวนที่เป็นนมามธรรมซึ่งมีแต่ชื่อมองมเห็นด้วยตาก็ตามสิ่งเหล่านี้รว่นเด็เกิดมาแล้วก็ไปปวนแตกลับไปทั้งนั้นเลยไอ้ผู้ที่มาพี่นาเห็นอยู่เนี่ยแต่ไม่สามารถจะบรรลุวัตผลได้หากว่าเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลใมันกรร็รําไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ หรือผู้ได้บรรลุฌานก็ไปบังเกิดพรหมโลกก็ไปภาวนาอยู่อยู่สวรรค์อยู่พรหมโลกนผู้เคยปฏิบัติธรรมอยู่จะเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่ว่าจะลืมเรือนนะไอ้ผู้มีบุญนะ่ยบุญจะตักเตือนเนะี่ยจะไปเกิดที่ไหนบุญก็ตักเตือนให้ตื่นตัวเสมอไปเกิดเป็นเทวดาบุญก็ตามตักเตือนว่า สวรรค์นี่ก็ไม่เที่ยงอย่าฟะมาศอย่ามัวเมานี่พึ่งเจริญภาวนาไปเรื่อย เ, รอยเพราะว่าสวรรค์นี่ก็มีขอบเขตเมื่อหมดบุญแล้วก็ตายอยู่ไม่ได้ไอ้ผู้ภาวนาเป็นแต่เป็นมนุษย์ไปหากได้ไปเกิดสวรรค์เนี่ยก็ต้องไปภาวนาอยู่สวรรค์อีก เมื่อพระพุทธเจ้าโอภคองได้พ ว, พวกนูมาบังเกิดในโลกได้เจ็ดวันพร ะ, พระบารดากติสวรรคตไปบังเกิดในสวรรค์ชันดุสิตเมือ่อผู้เป็นพระราชโอรสเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วถึงเวลาได้ออกบวชสัตสุลูเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงคิดถึงคุณูปการกของผู้บังเกิดเกล้าพระพุทธมารดาพระบิดาทรงรู้ว่าพระมารดาไปบังเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตได้เวลาแล้วพอองค์ก็เสด็จไปประทับสวรรค์ชั้นดาวดิงแล้วก็ให้พยาอินไปทูล เ, เชิญให้พระ กุธมาราลงมาจากสันดุสิทิมาฟังทรร่วมกับเทวดาทั้งหลายเทวดาผู้ที่ส้เบื่อเป็นมนุษย์ได้ฝึกผลอารมณ์จิตใจของเนให้มีความสงบมีคุณธรรมอันสงบระงรับตั้งอยู่ในใจได้อย่างนี้นะเมื่อไปเกิดสวรรค์จิตใจมันก็ ม, นกมันก็สงบได้ ไม่ใช่จะหลงจะเพลินกับทิปสมบัติอันมโหฬาร น, น, นั้นไอ้ผู้ที่หลงที่เพลินกับทิปสมบัติบนสวรรค์ น, นั้นคือตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแต่มีศรัทธาทำบุญให้ทานด้วยปัจจัยที่มีอาหารเป็นต้นแล้วก็มีศรัทธารักษาศีลเท่า น, นั้นแต่ไม่มีศรัทธาไหวพระภาวนาความธรรม อย่างนี้คนเหล่านั้นเมื่อตายจากโรคนี้ไปเกิดเป็นเทวราอยู่บนนวรัน์ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีทานที่จะบรรลุวระขนได้ได้แต่ศรัทธาความเลื่อมใสเท่านั้นเองผู้ที่สามารถบรรลุวระขนได้นั่นเพราะอบรมอินทรีย์แก่กล้ามาหลายชาติหลายภพ ได้พบพระพุทธเจ้าได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดเป็นคนมาได้ปฏิบัติสั่งสมบุญกุศลมาโดยลำดับบีญบุญกุศลก็มีกำลังแก่กล้าพาไปเกิดสวรรค์นั่นแหละเทวดาเช่นนั้นแหละเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมมเทศนา ของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้เมื่อบรรลุมรรคผลได้แล้วเข้าใจว่าท่านจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกท่านก็ต้องจเจริญภาวนาอยู่ในสวรรค์ท่านที่เกิดนั้นสมมติว่าถ้าไปเกิดสวรรค์ท่านราวดิ้ง หากได้บรรลุโสดาบันได้ฟังธรรม้วอย่างนี้แล้วก็เจริญภาวนาไปไปไปอินทรีแก่กล้าแล้วก็บรรลุสกิทาคามีก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปชั้นายา ม, มาขึ้นไปอย่างนี้แหละเอ้าเมื่อเจริญภาวนาอยู่ในชั้นยา ม, มานั้นอินทรีแก่กล้าเข้าแล้วก็สามารถบรรลุ อน า, าคามีผลได้แล้วก็ไปรุ่นปรงโลกอาราคามีผลแล้วไปเกิดในสุทาวาตภพวโลกรู้มัท้ท่านผู้ใดสำเร็จอรรหันต์ไดเป็นเทวดาเข้าใจว่าท่านก็คงดับขันเข้าโทนิพันถ้าหากว่าบุญยังมีอยู่อ่ะแต่ก็คงอยู่ไป เมื่อบุญหมดแล้วก็ดับขันเข้าถูพระนิพพานพรไม่ปรากฏว่าเทบดาบรรลุอรหันต์แล้วกลับมาเกิดไม่มีบรรลุอรหันต์อยู่สวรรค์ถ้กนิพพานอยู่สวรรค์พระราหุนพระราชโอรสของพระบรมศาสดาตามประวัติของท่านได้ยินว่าท่าน เมื่อรู้ว่าอายุสังขารจะหมดแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปนิพพานบนสวรรค์ท่านราวดิงนุ่มนูเออของก็ขเข้าใจว่าพญายินนหละพงศพท่านพวกพญายินพวกเทวดานั่นเนี่ยอันนี้แหละเรื่องราวแห่งชีวิตของคนเรา เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะให้คาพากันเข้าใจถ้าหากว่าชีวิตของผู้ใดไม่หมุนเข้ามาสู่ขายแห่งพระธรรมวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของผู้นั้นย่อมเละล่อนพเนจรอยู่ในโลกสนนิบาตอันนี้นานแสนนานเลย เพราะว่าหาทางออกไม่ได้ไม่ไม่รู้จักทางออกจากทุกอย่างเช่นเราก็รู้รู้กันอยู่ในโลกอันนี้มีสารพัดรัทธิสารพัดแต่ศาสนาศาสนานอกจากพุทธศาสนาเนี่กไปแล้วมีแต่ถือสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งท้งนั้นเลยไม่ได้ถือสิ่งภายใน คือกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำไว้เป็นนี่พึ่งศาสนาอื่นนะมีแต่อ้อนวอนสวดอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นมาดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างโน้นอย่างนี้แต่ซึ่งขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยประเดียวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ะเปสตากรรมศากกรรมชายาทาแล่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทาไว้นั้น <S 1> <S 1> <S ตามที่พระองค์เจ้าตรัสไว้อย่างนี้ก็แสดงว่าบุคคลเจ็บไขได้ป่วยบุคคลจะเป็นคนรวยคนจนอย่างใดอย่างใดนะั้นมันเกิดจากบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละคนทำเอามา ในชาติก่อนบ้างมาทำอาชาตินี้บ้างอย่างนี้คติธรรมในพระพุทธศาสนาขอให้พากันเข้าใจดังนั้นในพุทธศาสนานี่เราพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นมาในโลกแล้วทรงสแสดงธรรมเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าไปมีผู้ได้บรรลุมรรคตาม ก็องค์แล้วก็ขอบวชเมื่อขอบวชพ อ, องบวชให้แล้วอผู้ที่ศรัทธายังไม่แก่กล้าถึงกับบวชไม่ได้ก็แสดงตนเป็นอุบาโกวาสิกาถึงพระไตรชนานาคมไปได้พึ่งวันนี้ผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าได้ออกบวชเป็นภิกษุสามเณรแล้วบณีนน ท่านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอุบ า, าสกวาทิกาผู้คลองเรือนทั้งหลายมีพัญญามองเห็นอ้าวนี่พระเหล่านี้ท่านสละออกหมดแล้วท่านไม่มีเงินทองอะไรจะไปสร้างที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยของจนพวกเรามาไปสร้างถวายท่านในเบื้องต้นแท้ตอนที่พระองค์เจ้า เสด็จเข้าไปเผยแผ่พระศาสนาในกรุงรัชครึขครั้งแรกหลังจากตัดสินุแล้วพระเจ้าพิวิสาลได้ทราบเข้าก็ไปฟังธรรมพอฟังธรรมจบลงก็ได้บรรลุโสดาบันคนสิบสองหมื่นได้บรรลุโสดาบันสักสิบเอ็ดหมื่น เมือหนึ่งนั่นก็ไม่ได้สำเร็จเพียงได้ศรัทธาเลื่อมใสให้พวกที่ได้บรรลุโสดาบันแล้วนั่นนะมีปัญญาลนวันนี้รู้จักศาสนาดีนะพระเจ้าจปเป็นสารยิงถวายเวลุกวันอุทยานทำเป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักของสงฆ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า ร, ระเบิดสองทำเป็นวัดขึ้นมา ชื่อว่าวัดเปรุวันการันทกานิวาปสสารวัดนี้เมื่ออยู่ต่อมาพระภิกษุสองที่ท่านมากน้อยสันโดษชอบฝึกตนพรมานตนเช่นนี้ถึงหน้าแรงมาผลขาดไปแล้วท่านก็เมื่อจะเข้าไป ภาวนาอยู่ตามล่มไม้โคลนไม้ในป่าสงบสงัดอยู่ทำความเพียรอยู่วันรุ่งเช้ามาตังองตังก็พายบาดออกจากป่ามาปินระ บ, บาทในบ้านได้แล้วก็ออกไปสู่ป่าไปขบชันวันหนึ่งพระเรานั้นออกจากป่ามาบังเอิญเศรษฐี ในกรุงราจะคือนันออกไปธุระนอกบ้านไปเห็นพระเดินออกจากป่ามาก็เลยถามเพราะว่าท่านไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็ออกจากป่ามาคนทิศทางเศรษฐีก็ถามว่าบางองค์อา้าพวกท่านสลรวีว่ากันเหรือจึงไม่ไม่ตามหลังกันมาเลยออก มาคนอาทิตตทางว่างั้นภาคก็เลยตอบว่าอาไม่เช่นนั้นดอกย้อมพวกกฐมาไปหาอยู่ตามป่าอยู่ตามคนไม้ต่างองคต่างแสวงหาวิเวกหาความสงบทำความเพียรเพื่อละกกิเลสให้หมดไปสิ้นไปว่างั้น พอเศรษฐีได้ฟังนะเก็เกิดศรัทธาขึ้นก็พูดกับพระว่าถ้าหากว่าจะมีผู้วีศรัทธาสร้างที่พักอาศัยให้พวกท่านหลายจะรับไหมว่ากันพระก็ตอบเศรษฐีว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทูลถามพระ ศ, า ศ, าศาัสจาพระองค์ยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับเสนาสนะ ของชาวบ้านพวกธรรมาจะขอไปทูลถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อพระองค์ทรงพระอนุ ญ, ญาตแล้วจะแจ้งข่าวให้ทราบเอางั้นพระทั้งหลายได้โอกาสเข้าไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้รับเสนาสนะของผู้มีศรัทธาสร้างถวายได้ พาดเรืนั้นก็เลยไปแจ้งแก่เศรษฐีเศรษฐีได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็จัดบริษัทบริวารออกไปสู่ป่าหาสถานที่ม อ, อ ก, มออกเป็นที่สงบสงัดสมัยก่อนนั่นป่าดงพงไพรไม่อดนี่อยู่ใกล้เมืองอก็มีไม่มีใครไปทำลายป่าไม้ เศรษฐีก็สร้างกุฏิได้หกสิบหลังไม่นานนะักเพราะว่าคนมีเงินจ้างคนงานทำลงไปไม่นานก็สำเร็จได้กุฏิหกสิบหลังวันนี้ก็ได้จัดงานฉลองได้นมนพระพุทธเจ้าหลือพระสงค์ไปฉันพระทหารในเสนานธนาใหม่ เนรเศรษฐีนันก็กล่าวคำถวายเ ส, ยนาสนาชนะนั้นเป็นสังฆทานอุทิศต่อสงฆ์ที่มีอยู่ในจารุทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีขอถวายเสยนาชนะนี้แด่องค์สมเด็จพระสมาธรรมพุทธเจ้าผู้เป็นประมุขสงฆ์รวมทั้งสงฆ์ทั้งหลายด้วย ม เ, เมื่อชาวเมืองได้ทราบอย่างนั้นผู้มีสันทาบางคนก็เลยสละสวนของตนสร้างเป็นวัดและนิมนต์พระไปอยู่อาศัยเนี่ยวัดในพุทธศาสนาจึงค่อยกระจายแผ่ภัยศาลออกไปในประเทศอินเดียครั้งนั้นเจ็ดหัวเมืองอ เจ็ดหัวเมืองใหญ่หญเลยไอศาสานาอื่นนะ่ะไม่มีแบบนี้นะ่ะไม่มีคงสาวดานต่างๆที่เขาเขียนไว้ไม่มีนะมีแต่เขาสร้างหอสวดมนต์ขึ้นเท่านั้นเองเนะี่ยแล้วก็ถึงวันสาบนาธิก็พากันไปสวดมนต์อ้อนมอน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเชาวาลนั่นเองเป็นอย่างนั้นจะมาสร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่อยู่ของนักบวชมากมายเหมือนอย่างพุทธศาสนาจะมีการระบุตำนานกันอมากมายอย่างพุทธศาสนาไม่มีไม่มีมมเบ็นองนันเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ก็นับว่าเป็น ผู้มีบุญวาทนาบารมีพอสมควรเราจึงได้มาเกิดในประเทศไทยซึ่งในที่สุดพุทธศาสนาก็มาตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธมรานมาแล้วพุทธศาสนาก็เสื่อมจากประเทศอินเดียเรือ่อมา ก, ก็มาเจริญอยู่ แถบทวีปเอเชียทวีปอื่นไม่ไปมาเจริญอยู่ทวีปเอเชียเช่นพม่าศรีลังกาแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มาประเทศไทยแล้วก็ทิเบตรประเทศจีน นี่ก็รูมพุทธศาสนาเข้าไปแต่ประเทศจีนนี่ประเทศเวียดนามานี่เป็นรถทิมหายานเป็นพุทธพุทธพุทธพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่ามีความอรพุติย่อนยานไม่ปฏิบัติตามตรงตามทำตามวิในัยให้ครบถ้วนปฏิบัติตามวินัยโดยชอบใจ ชอบใจจึกษาบทไหนก็ปฏิบัติตามไม่ชอบใจก็ไม่ทำเช่นนั้นก็จึงเขาจึงเรียกอมหายานอันนี้นที่ประเทศไทยของเรานี่รัธิมหายานไม่ได้เข้ามามีแต่รัธิเถระวาดพระเถระเจ้าองค์อรหรันต นำเอาคำสอนของพระเจ้าเข้ามาเผยแพร่เพราะฉะนั้นคนไทยเราหรือว่าพระผู้มีพราออวุก็จึงยึดเอาธรรมวินัยที่เป็นหลักปฏิบัติ ต, ต, ต, ต, ตามไม่ล่วงเกินเป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้ช่างยืนมาอยู่ในประเทศไทยของเราเนื่องจากพระ สองสามเนนั้นปฏิบัติมั่นอยู่ในธรรมในวินัยแต่ก็เสื่อมไปเป็นบางคราวบางยุคเดี๋ยวก็จเจริญขึ้นเป็นบางคราวเช่นนี้แต่ประเทศอื่นๆปรากฏว่าเสื่อมไปมากมายแล้วหลังนั้นเราว่าเป็นวาสนาของพวกเราขอให้พากันประพฤติปฏิบัติ ต, ตาม พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษทัทท้งไหยส่วนมากก็ทรงสอนให้พิจารณาขันห้านี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราทำวัดเช้ากันอยู่ทุกวันทุกวันนี่นเองวะหุลาปวัตตาติคําสอนของพระเจ้าส่วนมากทรงสัส่งสอนว่ารูปังอนิจจัง รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสกงขา ร, ริญาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนลํำพึงในใจแล้วว่าเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้แล้วมันถึงเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงางนี้มันจึงเป็นทุกข์ฉะนั้หนอเราจึงจะทำที่สุดแสงทุกข์ได้ นี่เมื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยคำสวดธรรมวัเท้าดังนั้นคำสอนของมุยเจ้าประกาศถึงความจริงแท้แท้ไม่มีใครจะไปคัดท่านได้สำหรับผู้เคารพต่อความจริงเว้นแต่ คนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิมานะมากอันนั้นแท้ยกไว้เขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็เชื่อไปตามความชอบใจของเขานะเราขอให้พวกเราพากันตั้งอกตั้งใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเฉพาะตัวคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ตนต้องชำระตนเองให้บริรรสุทธิ์เลิมแต่มีศีลให้บริสุทธิ์มาตลอดถึงมาชำระใจให้บริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะใ ห, ให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้